แล้วก็อยู่ท่ำการธรรมชาตินะเป็นแสงเทียนหรือว่าความมืดหรือว่าป่าเขานะมันก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบได้มากกว่าการอยู่่าำกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกบางครั้งเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็น้อมเอา เอาพลังพลังงานที่ที่สงบหรือว่าพลังงานที่เป็นมิตรกับจิตใจเนี่ยน้องเข้ามาก็จะช่วยให้จิตใจมันมันสงบหรือว่าผ่อนคลายได้มากขึ้นนะแม้อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาหรือทุกขณะแต่มันก็เป็นการช่วยให้ให้เกิดความสงบในจิตใจได้ง่ายะขาเรียกว่าเป็นะ กายวิเวกนะการที่เราเอากายมาอยู่ในสถานที่วิเวกนี่ก็จะช่วยช่วยส่งเสริมในการภาวนาได้ดนะีแต่มันก็ต้องนะพัฒนาขึ้นไปเรืกเก่อนทั้งเข้าถึงจิตวิเวกนะก็คือความความสงบภายในจิตใจนะเราก็ต้องฝึกฝนให้จนทั้งจิตใจมันมีความสงบมันมีความสุข นะแม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือว่าอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะเราก็สามารถฝึกจิตใจให้เกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นได้ตอนนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ให้เขาถึงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าที่จริงแล้วมันมันก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกนะไม่คนวิสัยที่พวกเราทุกคนจะทำได้นะ เพราะจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มันเนื่องด้วยกา ย, เ, ยเพียงแค่เรารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนการที่เราเห็นความคิดเห็นจิตใจเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับไปตกไปคล้ายเหมือนกับ มันเรารู้สึกหรือว่าเราเห็นว่ายุงมันกัดที่ตัวเราเราก็สามารถที่จะไล่หรือว่าปัดเขาออกไปได้การที่เรารู้ทันความคิดหรืทันจิตใจก็ก็คล้ายๆกับตอนที่เรารู้ทันว่ายุงกัดนั่นแหละนะที่เราไม่ต้องไปคอยเพ่งจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะมากัดแต่พอเมื่อมันกัดแล้วเกิดความรู้สึกเกิดขึ้น เราก็ค่อยไปได่ไปปัดเขาการเห็นจิตใจที่มันมีอารมณ์ที่มันมีความคิดก็คล้ายๆการเห็นที่การเห็นยุงที่มันมากัดนั่นแหละะไม่ต้องไปคอยเฝ้าดูเขาก่อนแต่พอเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเราค่อยเห็นเห็นแล้วก็สามารถนะระเข้าได้นะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ที่เราสามารถทําได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าบางทีพอมันมีความคิดนะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็จะไปปรุงแต่งเป็นชอบเป็นชังนะเป็นพอใจไม่พอใจนะอะไรที่มันดีมันก็จะพลอยทําให้เราหลงติดใจพอใจไปได้ง่ายนะความคิดที่มันดีๆนะ ความสุขความสงบความสบายความเบาที่มันดีๆมันก็จะพลอยทาให้เราจิตใจไปได้ง่ายหรือความโกรธความโรคความหลงนะความเจ็บความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะพลอยมีผลที่จะปรุงไปในทางที่ที่ทำให้เราไม่ชอบใจไปได้ง่ายนอกจากคนอาจจะ วิปริ์นิดนึงนะมันทุกข์มากๆกับมีความสุขก็มีนะก็อันนั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่เราแค่รู้ทันว่าเออเมื่อมีเหตุปัจจัยมากระทบแล้วถ้าเราไปปรุงต่ออันนี้แสดงว่าเราก็โง่ซ้อนลงไปอีกครั้งหนึ่งนะยิ่งไปพอใจไม่พอใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะยิ่ง ยิ่งโง่ขึ้นไปอีกยิ่งเราไปพยายามเป็นดิ้นรนหาทางกำจัดนะไปหาเหตุหาผลนะกำมันเองเนี่ยยิ่งโง่เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกอันนี้คือจิตมันโง่แบบนี้มานานแล้วแหละนะแต่เรามาฝึกภาวนาเพื่อให้ระห่วงโซ่ของการการดงมันเนี่ยให้มันน้อยลงไปที่จริงมันเหมือน ที่มันเหมือนวงจรเนี้มันเหมือนวงกลมนะที่มันเป็นโซ่ที่มันคล้องกันจะเป็นวงกลมพอดีเหมือนสร้อยอ่ะเหมือนสร้อยของเราเนาะเราเคยเรามีสร้อยทองสร้อยอะไรก็แล้วแต่สร้อยมันร้อยจะเป็นวงกลมนแต่สร้อยในเส้นนั้นมันก็เป็นเป็นข้อเป็นข้อที่มันต่อกันไปจนเป็นหนึ่งเส้นเรารู้ทันอาการของ กิริยาของจิตเมื่อใดเนาะก็เหมือนกับใครเราปลดข้อข้อต่อมันนะออกมาเส้นหนึ่งมันก็ไม่ได้กลายเป็นวงกลมละมันขาดความเป็นวงของมันละเนี่ยอันนี้การภาวนาของเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปไปคอยกังวลว่าเราจะต้องดูให้มันได้เร็วๆ เ, เราจะต้องกังวลว่าเออมันจะต้องเกิดขึ้น ไม่นานแล้วเราค่อยรู้นะเรารู้ทันมันเมื่อรดเราก็ละมันเมื่อนั้นแหละนะจิตที่มันมีสติเนี่ยมันก็ถ้ามันรู้ทันเมื่อใ่มันก็ละเมื่อนั้นแหละนะแม้มันจะมีกำลังกลับมาคิดกลับมาคุมใหม่ก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ละมันใหม่ไปนะเราก็ทำได้เพียงแค่นี้นะอย่าไปจะไปคาดหวังไปคาดคั่งกับตัวเองมากเกินไปเรารู้ทันมันได้เมื่อไรเราก็กลับมากลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวนะมันก็เป็นการละละความหลงละความยึดนะปล่อยวางได้ของมันเองอันนี้เราทําได้เพียงแค่นี้นะแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราละอารมณ์ได้ง่ายก็คือเนี่ยเรามีเครื่องอยู่เรามีกรรมฐานบางอย่างพอเรามีกรรมฐานในการเดินในการยกมือในการโดูลมในการดูจิตใจก็แล้วแต่มันจะช่วยให้เรานะละอารมณ์ได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเราน <c oughs> ไม่มีกรรมฐานเป็นหลักมันจะโอกาสที่มันจะติดอารมณ์มันไปได้ง่ายนะติดความคิดมันไปได้ง่ายนั้นเราก็พยายามที่จะนี่ยสร้างรูปแบบในการเคลื่อนไหวใ ห, ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปก็กลับมารู้สึกใหม่ภาวนาจริงๆแล้วมันมีแต่มันมีแต่แตรู้ กับหลงท่านั่นแหละนะภนะาวนาเป็นจริงไม่มีอะไรมากกว่านี้เปลี่ยนแต่ว่าเราจะรู้มากหรือว่าหลงมากก็แค่นั้นในแต่ละวันแต่ละวันนะมันมีความหลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่พอเรารู้ทันว่ามันหลงมันก็ดูแล้วนะหรือว่าตอนที่มันไม่หลงเราก็ดูกายไปเรื่อยมันก็เป็นความดูแล้วภนะาวนาที่จริงมันมีแค่แค่รู้หรือว่าหลงเท่านั้นนะแต่ถ้าเรานะ ภาวนาไปเรื่อยจิตใจมันก็จะมันก็จะเกิดความเป็นอัตโนมัติหรือว่าจิตใจมีความเป็นปกติมากขึ้นนะมาหลงไปนิดนึงนี่มันมีมาตรฐานมันรู้แล้วว่าเออจิตมันเสียความเป็นปกติจิตมันเสียความเป็นสมดุลจิตมันหวั่นไหวนี่มันก็จะกลับมาดูเนื้อตัวของมันได้เองนี่มันจะรูเลยว่าอ๋อปกติของจิตมันเป็นเช่นนี้น มันสงบมันว่างมันวางอยู่เป็นปกติอยู่แต่พอนะมันหวันไหวจิตมันเคลื่อนไปนิดนึงนะมันก็จะรู้ทันรู้ทันแล้วก็กลับมาได้หรือว่าจิตมันเผลอไปไปเพ่งไปจ้องไปอยากมีความอยากเจือนิดนึงเนี่ยมันก็จะรู้ทันได้คล้ายๆนะยิ่งเราภาวนาไปจะรู้สึกว่าเราเห็นความหลงเราเห็นความคิด เราเห็นความกระดุ ก, กระดิกที่มันเล็ก น, น้อยไปในจิตใจนี้ได้ละเอียดขึ้นนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีเพราะว่ายิ่งเราเห็นความหลงได้บ่อยเห็นมันได้ละเอียดขึ้นแสดงว่าเรามีพัฒนาการนเรามีพัฒนาการในการฝึกมากขึ้นนแตก่ก่อนถ้าเราไม่เคยฝึกนี่มันก็จิตมันยังย า, ยากอยู่ สติปัญญามันมันยังมันยังยากอยู่มันก็รู้ไม่ทันสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะมันก็ไม่รู้เราก็จะรู้แต่ตัวที่มันเคลื่อนไหวหยา ก, ยากหรือว่าแรงๆเท่านั้นนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองมากนะก็พยายามรู้ให้ได้มากที่สุดนั่นแหละจะรู้ความละเอียดหรือว่ารู้ความ แยบอยากก็ไม่เป็นไรนะมันก็ตั้งมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอันเนี้คือสิ่งที่เราพยายามกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้เยอะๆนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนคุยเหยียดเคลื่อนไหวน่าจะทําอะไรก็เราสามารถกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ถ้าเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเราจะเห็นเห็นตัวเห็นตนที่มันเป็นสมมุติที่ มันมาดอกเราทั้งนั้นแหละเรามาเห็นแล้วก็ต้องรู้นะภาวนาไปเนี่ยจะมีเครื่องทดสอบตัวเองได้เลยว่าเราภาวนาไปแล้วอัตตาของเราอัตรามันใหญ่ขึ้นไหมเอีตัวตนของตัวตนมันใหญ่ขึ้นตามตามอายุตามตามแหน่งตามสภาวะอะไรต่ตางๆไห ม, ม, ม, ม, มหรือว่า ภาวนาไปแล้วเห็นตัวตนมันลดน้อยลงนะอัตตามันน้อยลงนี่เราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ถ้าคนที่ไม่เจรจาในการภาวนาภาวนาไปบางทีอัตตาใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าตัวเองดีกว่านะดีกว่าคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นรู้สึกว่ายึดความเห็นของตัวเองนี่แหละเป็นดักนะ ยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองมากรู้ว่าสิ่งที่ยึดมันไม่ดีแต่ก็ยังอยากจะยึดมันอยู่นะอยากจะมีอยากจะสร้างอัตลักษณ์ในแบบที่เป็นเฉพาะของตนนะก็ดูว่าเป็นการยึดอัตลักษณ์ยึดตัวตนอยู่แต่ก็ไม่ไม่กล้าละไม่กล้าวางเพราะเห็นว่าอันนี้แหละคือเกาะป้องกันตนหรือว่าเป็นเป็นอะไรเนาะเป็น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันนี้เราก็ต้องรู้ทันตัวเองนะเราราพนาไปเพื่อละสารายิดมั่นถือมั่นในตัวตนทั้งหลายนะ่ยแหละตัวตนทั้งหลายเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นนะเราอย่าไปเชื่อเ้ร อ, อ้างของกิเลสว่าก็เราถูกการเลี้ยงดูมาแบบนี้เรามีการศึกษามาแบบนี้เราถูกการอบรมในตำแหน่งหน้าที่การงานมาแบบนี้ทาให้เราเป็นแบบนี้ อย่าไปเชื่อมันนะมันเป็นแค่ตัวที่มาหลอกให้เราไปยึดในภาพรักในอัตลักษณ์ของของตัวตนเท่านั้นเนาะมันถ้าเราถ้าถ้าเราเห็นว่าไอ้ตัวตนพวกนั้นมันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันทําให้เราพองอะเนี่ยเราควรที่จะละมันเสียแต่ถ้าอุปนิสัยต่างๆที่มันเป็นเป็นการเกื้อกูลในการภาวนา ไอ้ตัวนั้นจะรักษาไว้เพื่อพัฒนาจิตใจก็ก็ไม่ได้เสียหายเช่นเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความอ่อนน้อมถ่อมต น, นเป็นคนเป็นคนที่รู้จักพิจารณาเป็นคนทีน่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ศึกษาไม่มีมานณมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกื้อกูลในการ ในการภาวนาอุปนิสัยแบบนีออ้ควรที่จะทำให้เกิดมีไปในจิตใจนะควรที่จะถ้ามันไม่มีก็ควรที่จะสร้างขึ้นมาให้มันมีเพราะนี้เราก็ต้องรู้ว่าตัวตนเช่นไรมันเป็นอุปสรรคในการภาวนาอุปนิสัยเช่นไรที่เกื้อกูลในการภาวนาตัวตนกับอุปนิสัยแตกต่างกันนะนะตัวตนคือการที่เรา สร้างขึ้นแล้วเราก็ก็ไปยึดถือนแต่ตัวตนพวกนั้นส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปให้ให้รู้สึกว่าตัวเองดีหรือเก่งหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นนเป็นเป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วก็เป็นไปเพื่อประทะกับคนอื่นแต่อุ ป, อปนิสัยนี่เราสร้างเพื่อให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่จะน้อมนําจิตใจเข้าไปสู่มรรคผล น, ผนิพพานะเหมือนพระเจ้าท่านท่านบําเพ็ญอุปนิสัยบําเพ็ญบารมีสามสิบนะทัศน์นั่นแหละก็คือการที่ท่านบําเพ็ญบารมีเพื่อน้อมมาสู่การตัดสรู้นะให้มีทานนะทานนบารมีรู้จักเสียสละเบื้องต้นนะเสียสละเบื้องต้นก็เสียะวัตถุสิ่งของภายนอก ต่อไปก็เสียสล ะ, ะกิเลสสิ่งที่ไม่ดีไปในจิตใจแต่ถ้าการเสียสละที่มันสูงขึ้นไปก็เสียสละไม่แต่สิ่งที่มันเป็นกุศลไปในจิตใจนั่นแหละเป็นความสุขเป็นความสงบมันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบารมีที่สูงขึ้นไป น, นนี่ก็คือการฝึกการเสียสละ ฝึกให้มีศีลนีนะ่มีความผิดปกติของกายวาจารวมถึงจิตใจด้วยฝนะึกในการออกบวชบ้างฝนะึกในการหลีกเล้นจากชีวิตในสังคมวุ่นวายบ้างอันนี้ก็เป็นเนืมะบารมีนะี่เขเป็นการฝึกฝนซึ่งมันนะมันก็ต้องเรียนรู้กันตางนั้นแหละพระพุทธเจ้าเองท่านก็เคยเป็นคนที่ยึดติดใน ในบ้านในเรือนในทรัพย์สินในอะไรต่างๆเช่นเดียวกับเรานี่แหละนะแต่เนื่องจากการที่เราที่ท่านได้ฝึกฝนบารมีก็คือฝึกฝนอุปนิสัยที่เกื้อในการที่จะบรรลุธรรมนะท่านก็เลยสามารถที่จะฝึกฝนจากอาสาบาทั้งพวงได้พวกเราก็เช่นเดียวกันเนาะที่เรานะปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกฝนอุปนิสัยในการที่จะน้อมมาในทาง ให้เกิดาการเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเรามาฝึกกันตรงนี้แหละดังนั้นทุกอย่างที่ที่มันจะช่วยให้เราน้อมมาในทางในทางบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นการเจริญสติในรูปแบบก็เป็นก็เป็นวิธีการเป็นหลักการในการฝึกเช่นเดียวกัน การเจริสตินอกรูปแบบก็เป็นวิธีการเป็นดับการในการฝึกให้เราละกิเลสละตัวตนก็ถูกเช่นเดียวกันนะแต่ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราสามารถมีปัญญาเราพิจารณาดีๆมันก็จะเป็นการน้อมในการทำให้เกิดเกิดอุปนิสัยในการที่จะเข้าถึงวัตผลที่ฟานได้ง่ายขึ้นเนาะให้พวกเราได้ ได้พิจารณาดูดูตัวเราเองว่าอุปนิสัยหรือว่าตัวตนเช่นใดที่มันเป็นอุปสรรคในการในการภาวนาเราต้องแก้ไขปรปับปรุง ม, มันน ะ, นะก็ดูง่ายก็ได้ว่าอะไรที่มันเป็นมันเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนมันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอัตตาเป็นมานะที่เกิดความอหังการเกิดความอหังการในในตัวเองแล้วก็มันก็รู้นะว่ามันไม่ดี แต่ก็ไม่กล้าละมันเสียอันนี้เราก็ต้องกล้าที่จะฝืนความรู้สึกตัว น, นี้บ้างนะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าอุปนิสัยเช่นไรที่มันเป็นการน้อมหรือว่าเป็นการทำให้เราคล้อยไปสู่ทางมรรคนิพพานได้ง่ายล้วก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้นะแม้ตอนนี้ยังไม่มีก็ต้องฝึกให้มันมี หรือว่าตอนนี้เรามีน้อยก็ต้องฝึกให้มันมีมากขึ้นนะมันก็จะช่วยเกื้อกูลเราเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นการสร้างสร้างอุปนิสัยใหม่นะแทนที่อุปนิสัยเก่าที่จริงการที่เราฝึกทำความรู้สึกตัวฝนะึกเจริญสตินะี่มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ไดง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอย่างหนึ่งนนะ ถ้าเราฝึกในรูปแบบมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความอดทนอดกั้นนะต่อความเบือ่อต่อความท้อนะมีความขยันมันเพียรมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการสร้างสร้างนิสัยขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะพอเบือ่อก็อาจจะไม่อยากปฏิบัติพอขยันก็ค่อยปฏิบัติบางทีคารวะนี่ภาวนาภาวนาใหม่ๆเนี่ยเหมือนง่ายนะ แต่พอแต่จะหาคนที่ภาวนาต่อเนื่องนี่หายากก็อะไรบางทีคารว่านี่อยู่กับโรคมันมีความวุ่นวายมันมีความทุกข์มันมีความบีดพั้นเยอะนี่มีปัญหาเยอะก็พอจะเห็นก็พอจะดูอยู่ว่าชีวิตมันลำบากชีวิตมันไม่สบายชีวิตมันเป็นทุกข์ก็เกิดความพอใจในการภาวนาแต่พอบางช่วงชีวิตที่มันดีที่มันสุขที่มันสบาย ที่มันไม่ค่อยมีปัญหาก็มักจะลงดื่มใน ก, การภาวนาไปสนุกไปเพลินกับทําโลกเร่งง่ายนั่นก็เลยบางทีก็ขยันภาวนาแต่ตอนมีปัญหาแต่ตอนไม่มีปัญหาตอนสบายดีก็ก็ละลืมการภาวนาไป น, นีอันนี้ก็ถ้าถ้าภาวนาแบบนี้มันก็มันก็เป็นช่วงๆขาดตอนไปเรื่อยๆข้อผมไม่ใช่แต่ แต่ชีวิตค า, วารวะหลักไม่แต่ชีวิตพระเองก็เหมือนกันชีวิตไม่พีเองก็เหมือนกับถ้ า, ถ, าถ้ายังหลงอยู่ในช่วงที่มันสบายมีความสุขแล้วก็ละเลยการภาวนาอันนั้นก็ก็ยังถือว่าประมาทเช่นเดียวกันนะตอนที่มีปัญหาตอนที่มีความทุกข์ค่อยขยันภาวนาอันนี้มันก็อาจจะเรียกว่าเหมือนเหมือนเราเป็นโรคร้ายแล้วเราค่อยมารักษาเนะมันก็ มันก็ต้องใช้พอดังหรือว่าใช้อืมบางทีมันก็ทุกข์มากก็อาจจะรักษาได้ยากเหมือนเป็นโรคร้ายหนักมันก็อาจจะรักษาได้ยากแต่เราก็ได้เลยการป้องกันละเลยการป้องกันโดรคตอนที่ร่างกายแข็งแรงเราไม่ได้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงหรือว่าให้มันเรื่องการกินอาหารเรื่องการออกกำลังกายให้มันต่อเนื่องมันก็เป็นโอกาสเน มันก็จะเป็นโอกาสในการทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายแต่ถ้าเราดูแลร่างกายดีมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงต่อไปแต่ที่จริงนะบางทีคนเราก็ก็เสียเวลาหรือว่าใช้เวลาในการดูแลร่างกายซะเยอะนะห่วงสุขภาพดูแลเรื่องการกินดูแลเรื่องการออกกำลังกายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีนะ แต่บางทีเราก็ลืมเราก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพจิตใจปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนจิตใจปล่อยให้ความใจร้อนเผาลนจิตใจรักร่างกายอยากให้ร่างกายไม่มีโรคมีภัยอยากให้อยู่ได้นานๆแต่ก็ไม่รักจิตใจเท่าที่ควรปล่อยให้โทสะมันเผาจิตใจ ปล่อยให้โลภะมันเผาจิตใจนะปล่อยให้ความหลงมันเผาจิตใจของเราอันนี้จะเรียกว่ารเราลักชีวิตจริงหรือเปล่าเราลักชีวิตเพียงแค่ครึ่งส่วนก็คือส่วนของร่างกายแต่ส่วนของจิตใจละ่ะทําไมเราต้องปล่อยให้ใหไฟอคติส่วนต่างๆมันเผาไหมเนาะเราก็ต้องการที่เรามัมีมีสติความรู้สึกตัวนะก็จะช่วยให้เราเมื่อไฟมันเผาในจิตใจมันก็จะดับลงไปด้วย ด้วยสตินะที่จะเป็นปตัวตัดตัวดับนะความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้หรือตอนที่มันไม่มีความทุกข์มากๆไม่มีความหลงมากแล้วก็ฝึกให้มีสติเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้สิ่งต่างเหล่านั้นมันมันเกิดขึ้นมาเหมือนที่เราได้สวดเรื่องความเพียรชอบนั่นแหละนะความเพียรจริงๆก็คือว่าเมื่ออกุศลเกิดขึ้นนะ เราสามารถละข้อได้เมื่ออคุศลยังไม่เกิดขึ้นเราก็ป้องกันได้กุศลถ้ายังไม่เกิดเราก็พัฒนาให้กุศลเกิดขึ้นได้กุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็เจริญหรือว่าต่อยอดกุศลให้มันยิ่งขึ้นไปได้ อ, นน อ, นะอันนี้คือความเพียรที่แท้จริงนะเนี่ยอันนี้คือความเพียรที่เป็นความเพียรภายในจิตใจขึ้นเราเราต้องคอยมฝึกฝนให้มันมีขึ้นเรื่อยเื่สติตอนนี้มันมี แล้วก็ดีก็ต้องมีให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิก็เช่นเดียวกันนะมันเป็นสมาธินะในแต่ละขณะที่เรารู้ตัวเราก็ฝึกให้มันรู้ตัวไปบ่อยมันก็จะมีสมาธิมากขึ้นปัญญาในการละในการประหารกิเลสในการที่จริงปัญญาก็คือการที่เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยที่จริงไอตัวสัมปชัญญะเนี่ยก็เป็นตัวปัญญานะอื ตัวปัญญาเนี่ยน้อยที่เราพัฒนาขึ้นมาสัมปชัญญะนี่เป็นตัวปัญญาเพียงแค่เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยมันสะสมคนนี้ไปเรื่อยๆเนี่เราก็พยายามสร้างคนนี้อุปนิสัยในการที่จะทําให้เป็นการละอกุศลเป็นการพัฒนากุศลเป็นในจิตใจให้ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนย มรรคผลนิพพานก็คงไม่ได้หายไปไหนเพราะจริงทางตรงนี้มัน ก, ก็มีมาอยู่แล้วนะพราะพระพเจ้าท่านคนพบท่านบอกทางให้กับพวกเราไว้นะมีแต่เราเนี่แหละที่ต้องหาทางให้เจอนะทางในตรงนี้ก็ไม่ใช่ไปหาใคยนอกตัวนะะหาที่ตัวเรานี่แหละนะที่การวางใจให้ถูกนะที่การวางใจให้ถูกแล้วก็มีความเพียรในการเดินให้ถูก แล้วก็ไม่ลืมหรือว่าไม่ประมาทนะไม่ท้อไม่ถอยตอนสุขก็ไม่หลงละเลนกับความสุขจนประมาทลืมลืมว่าตัวเองเคยทุกนะตอนทุกตอนเจอปัญหาก็ไม่ใช่ตามืดตามัวมองไม่เห็นทางที่มันจะออกจากความทุกได้นะมันมีทุกขมันก็มีความไม่ทุกเช่นเดียวกันเนาะ มันมีปัญหามันก็มีปัญญาเข้าไปแก้ไขเช่นเดียวกันน่ะมันจะมองไป2สองด้านแบบนี้นะมันมีทุกข์มันก็มีไม่ทุกข์นะน่มันมีแม้แต่มันมีสุขมันก็มองเออมันก็ไม่แน่ไอ้ความสุขที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่แน่นะมันจะอยู่ชั่วคราวเราจะประมาทจะไปหลงว่ามันจะสุขแบบนี้ตลอดไปมันก็มีปัญญามาเห็นเออมันมันไม่แน่นะเอะ ไม่แต่ความสุขความสบายเนี่ยก็ไม่แน่ไปยึดมั่นถือมันมันไว้มันก็พอยจะเป็นความทุกข์ต่อไปมันอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกบางทีมันเหมือนมันเหมือนเทียนนะเราจุดไฟเราจุดเทียนไว้มันก็ดีนะแต่ถ้าเราถือมันไว้ต่อไปเนี่ยน้ําตาเทียนเองก็ดีหรือว่าพอมามันไหม้มาใกล้ใกล้มือเรารองก็ดีถ้าเราวางมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ เรก็จะร้อนเพราะมันเหมือนกันความสุขก็เหมือนกันนะถ้าถือไม่เป็นนะมันก็จะทุกข์ได้เหมือนกันนะแต่ตอนที่เราทุกข์เรามีปัญหานะเราเราก็มีเราก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรในการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็รู้ว่าเออถ้าทำจริงจริงแล้วมันก็สามารถออกจากความทุกข์ได้นะที่จริงมันมีแต่ความทุกข์นะมันไม่มีผู้ทุกข์หรอกนะ มันมีแต่อาการของรูปที่เขาทุกข์มันมีแต่อาการของนามที่เขาทุกข์นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์หรอกถ้าเรามีปัญญาจริงๆนะมันมีแต่รูปทุกข์มันมีแต่นามทุกข์มันมีแต่รูปที่มันมีโรคมีภัยไข้เจ็บมันมีแต่นามที่มันยังมีเชื้อกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นโรคของนามมรรมอยู่มันมีแต่สิ่งที่ มันเป็นไปตามธรรมชาติทำอาการของเขาเฉยมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราหรอกนะนี่ธรรมะเขาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะเราก็พยายามเปิดตาสติตาปัญญาให้มันเข้าใจความจริงตรงนี้นะมันก็ไม่ได้เหลือวิสัยเกินไปเนาะให้พวกเราได้พยายามฝึกฝนตนเองอยู่ทุกขณะนะทำการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดีให้เราเห็น อารมณ์เห็นความคิดมีความต่อเนื่องได้เยอะขึ้นนะยรือแม้แต่การภาวนา น, นอกรูปแบบในการเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันก็ดนะีก็ถือว่าเป็นบททดสอบนะถือว่าเป็นการได้ทำแบบฝึกหัดกับการที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะหรือว่าต้องเคลื่อนไหวเร็วๆมันก็จะเป็นตัวทดสอบว่าเราขาดสติไปได้ มากหรือน้อยขนาดไหนนะก็ไม่เป็นไรเผลอไปก็ไม่เป็นไรเผลอไปก็กลับมาใหม่นะอย่าไปอาไรอาบรลกับสิ่งที่มันพล า, าดอดีตที่มันผิดไปก็ก็กลับมารูตัวดูนะตัวใหม่หรือบางครั้งเรามีความกังวลมีความกลัวกับสิ่งที่จะเจอในอนาคตนะไม่แน่ใจบางทีมันทุกข์ตอนที่เรากลัวมันทุกข์ตอนที่เรากังวลใจก่อนละที่จริง ไปเจอจริงๆอาจจะไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะบางครั้งเราไปกลัวการกระทบอารมณ์นะแต่แท้จริงแล้วบางทีเราไปกระทบอารมณ์เราอาจจะดู้เนื้อรู้ตัวได้ก็ได้นะนะบางทีก็เป็นความกลัวเป็นความกังวลใจของเราเองก็มีนระู้ทันตรงนั้นแล้วก็ลองกล้าที่จะเผชิญกับมันดูบ้างนะเผชิญแล้วมันอาจจะแพ้หรือว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็กลับมามาซ้อมใหม่ มาตั้งหลักใหม่ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ทท่หนั้นแหละนะถ้าเราอาศัยว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ในการฝึกจิตสอนจิตแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียหรอกนะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรจะเสียหายเราเรียนรู้ไปเรืออร่อนยะแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะเสียหายจริงๆก็ดูว่าสิ่งที่ทมั น, เ ป, นเป็นเป็นอกุศลไหมนะถ้าเป็นอกุศลก็แสดงว่า เสียหายเนาะออแต่ถ้ามันเป็นในทางที่กุศลเป็นการที่จะฝึกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายนี่คือถ้าเราพิจารณาเลงเนี่ยออถ้าไอ้ที่เราไดกทํามันเป็นสิ่งที่ทดีงามอยู่มันก็มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าบางคนเป็นพวกจิตใจมันมันเฉกโก้เกินไปก็มีเหตุผลมีข้ออ้างในการที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดี ในฐานะอย่างอื่นก็ก็มีนะเนี่ยแต่พวกเราเป็นผู้ที่คงน้อมเอียงมาทางทางปัญญาเนาะน้อมเอียงมาในทางจะเห็นเห็นความทุกข์นะแล้วก็น้อมเอียงในทางที่จะทำตัวให้ออกจากทุกข์อยู่แล้วก็ก็คงไม่ก็ต้องอะไรเนาะก็ต้อง พยายามที่จะรักษาตรงนี้ให้มันได้ต่อเนื่องเนาะอย่าให้เหตุผลข้ออ้างของกิเลสเข้ามาเข้ามางอกครอบงาจิตกองเราได้ง่ายๆนะต้องฝึกบ่อยๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรมากเนาะเราเอาอาศัยการเปรียบเทียบกับตัวเองนี่แหละนะมีพัฒนาการจากตัวของเราเองนี่แหละนะจากที่เคยทุกข์มากมันทุกข์น้อยลงไหมนะ่ะ อย่าที่อัตตามันมากอัตตามันน้อยลงไหมนะจากอุปนิสัยที่มันไม่ค่อยดีเราก็รู้ทันแล้วก็แก้ไขมันได้มากไหมนะก็ก็พัฒนาจากตัวของเราเองนี่แหละนะแต่แต่ก็อย่าได้ขี้เกียจขีค้คานนะอย่าได้ว่าอืมอย่าได้ประมาทว่าเ อ, อเราก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วแหละนะสิ่งที่มันควรจะดีขึ้นไปกว่านี้ก็ยังมีอยู่อีกเนาะไม่ใช่เพียงเท่านี้นะ ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆน้วก็ฝากไว้ในชาวอันนี้